บาดหนี้กระเว๋าเป้แล้วโทษของเราคุณของเราแหละกับว่าคนเท่าสมัยสมือนีหากินคนละอันพันยางล้มแข่งหาลมค้าสอดเอาตัวรอดเป็นยอดดี แ, แต่ว่าสมัยสมือหนีบ้านเมื่อเมืองไฟเฮ่าบ่คือเก่าคือหลังมีเหตุการณ์บุญไหว้เกิดขึ้นหน่อยหนึ่งผลมาฝนถ่วมกุงเทปหน่อยนึง่งผล่ า, าเศร้าหน้นนาเมื่อไรขายเขา่าเตือปีห่อนเรื่องเือปีหนาวนะ คุณเจาบอกว่ากบกินเดือนออืมจวมาโลกเข้าสมัยสุมืองมันบอกคือเก่าคือหลังพูลคนว่ามีดเออเป็นน้ำดาวหางพูลคนก็บว่าปี2 5 2พนี่ิเกานดาวหางมันเขามาเออเจ็ดสปีมันสีมาเธอนึงพอดีมันมาบานเมื่อเากับบุญไหว้ใส้ผงไปหลายเติบเด้เห็นไหมเจ็ดปีก็ไม่ฉี่มา อปีมันส like mm ิมาแต่ว่ามันมาลวมันเมื่อยอีกละนี่เม่อาหบุญไหว้ไส้ผงมันขนาดเลยเท่าซ้เาบเห็นมันอีกกว่าเนี่เห็นเราเห็นเลี่แล้วแล้วมันเป็นยังไงบานนี้วยา้ฟังมึงก็น่าอยากฟังเรื่องดาวหางอีกอยากฟังเลี่งเราได้ก็ได้เลอยากฟังด้วยกันนเออคอมมอนเป็นยังไงวะยินดีด้วยก็สู้กันดาวหางดาวหาง ยัง่าปีสองเก่าบานเมื่อเมืองฝ้ายมีเหตุการณ์บุนไหว้ไปถูกยอมหยาทั้งผู้ดีพีบากบานไก่แทยล่าพระกันห้องเกลียวเก่าวบวินระยะทั้งพอออกทั้งพระทั้งสามาเนียนทั้งโู้แก้วขมิน้นอินเดียฝ้าลังพิลิปินกะนางโศกเสาหงอะหอยอยุงพบปันกับหมอยเลือกต่างหัวนา บ่จักตีจะขายื่อแย่งแข่งขันเกิดบ่เขาใจกัน2องกลับสองภายอีกพวกหนึ่งกะนายนั่งอาคีโนอีกพวกหนึ่งกะโซ่บอ่อยากแดดมากกอดเหล่นกันป่นานแบบฮอตบ้านโล่งขาแน่เนี่าแผ่นสอนแผนไยดีไพอยู่ แยกกันออกเป็นมูไซหลายป่ายสีกรสีเหลือกประท่าหน้าทิบดีใส่หญิงโล่งแขงพระศรีได้ตัดแนงหล่วางหญิงกับใส่ให้มาขาการตายไปย่างขนาดทั้งลีเบียกับฝาดกับอเมริกาท่าเล่เกียนกัหาวาคาดฟีเขาเมยาม่าหยี่มาล้วนมาล่ามได้เกิดซึกสงครามกันขืนยางใหญ่ โยนระเบิดเขาใส่ปืนสั่นปืนยาวห้องหมอเลีวเกี้ยวกาวปานเห็นมาบอดทั้งลิเบีย ก, ก็บะมียานมีดขวัวสู่แบบถ้าไว้หัวบอดใดลบลหลีกสหรัฐกิสีเสือใส่คือกันถามึงฟันกูฟันมึงเสียบกูเสียบผู้ใดลมแล้วเหยียบแถมถ่ายโดยเต้มันเป็นนำ้ำยังเด้ปีนี่คุณพอ หลกก็เอาวรถบ อ, บอคือเกาคือหลังเป็นในิลุ่มตูนั่งคือโลกสีแตกมีแต่เรื่องแปลกๆบอเคยพ่อเคยผ่านคือมีเนีบันดาลสี่เซตเด็ดขาดคือจะมีอำนาจบังคับจับกลุมคือมีเนี่มาอยู่มายีมายองให้คนออกจากห้องถนนหนทางภูแล้วคนว่าเป็นน้ำดาวหางหั่นเหล่หั่นหลอกเขามาตับมายองข่าบ้านเมืองเมืองไฟมีเหตุการณ์บุญไหวเป็นไปได้ทัว่ว แนวเคยดีก็เป็นซัวแนวก้าวก็เป็นดับม่ว่แหน่ผมก็สีว่านหนามสานอกคอหลับมาเนี่เออเออเพ่อดาวหางมาปะเพอิทธิพลโลกของคนกับบุญไหวไหลเงี้ยบ่แม่งคนแต่งแต่บ้านนี้บ้านเฮาบานเท่เขาก็ะห้องอยู่กากกากทั้งละเสียกับหยากรูนิวเคียเหียบบันตายเป็นเบื่อโรงงานมั่นหัวแต่ยิ่งจ่บอกโลงงานอาวุญนิ้วเคียหัวไตายไปหลายคนอไปถือกินถืออายมันนี่เรียบรลอย นาโ้ยรดิบุญบาม ผีแล้วตัวพี่น้องป่องปายขันเป็นกินแม่นหายของมันมาหอดกับมันเจ็บบกยอดตายไปเป็นผีเพราะมันมีร่างสีทำให้มนุษย์หัวใจขาดดังปุดบ่ต้องป่วยต้องเป็นจากมันหอมหรือเหม็นกินได้หน่ายทานบาดแต่มันมาพานเข่าปากเข่าดังกระทึงจุดเอวบังอมเงินท่าแปงห้ามกันไปตองแรงบ่ฟังกับเผานำมาบุญของเฮามีอยู่หลายเติบจะโมเหตเสือบเงือบรุดหลอดปลอดภัยสนุกนั่งหันใจวีบูวีบู เฮ้ยแล้วจจกรร็คือขันจีคุยๆานเดี๋ยวเว้ยประเทศไหพมันอยู่แปลกับโรงงานมันมีลูกตาเหลือกตาลานปานเห็นผีเพศผู้คนเป็นตนเหตุได้ว่าเต็นยงยงห้ามกันเข่าในโล่งลายลอยซี่บีดผู้คนออกหัวขีดส่างปลลับมานู่บัดมันฟังมันผู๋หายอยู่กือกือกินข้อนมันมาถือลูกหนองของโตับาเจ้าของจักโโหสมผื่นลืบบอนี่แหละนอกคุณพ่ออย่าขาดเพิ่มตัวตาย อืมพ่อดาวหางมามเหตุจางไหวา่าบอเป็นละนี่ล่ะน้อคุณนพออย่าขาเพิลนตูวตายแต่พีก้อนพี่ไก่กับ่อเป็นยังดอกพ่อดาวหางดาวหอกมาเยี่ยมมาหยามคือมีเสียนมีหนามมาแทงมาเงยคิดบังเนตแต่เม่ลิกาบ่ะนี้ให้จนว่านำ้ำตาสีกายเป็นเลือดเทือสีหายสีเหือ่อกะไลายหมือและวันพอเสียของสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ ทรงญาณนาวาการล่าค่าเป็นกับมีคนนางไปนำหอกค้นผุ่นตัวทั้งเสือเพิ่องมั่นหัวย่ำออกจากฐานเลยทําให้ตัวญาณมั่นเกิดระเบิดพวกไปนํากิดเจิดออกไปคนแดนมอญ ข, ข้าจะแขนขาดออกเป็นทอนม้วนตับแต่เศษอ่อนแห่งมูลปันหำํากับไปพ่อหําย่อนแ ล, ล้วระเบิดกระโน่นคนกระชีพไปทางทิศเหนือ ตายกันบ่มีเหลือพวกขึ้นไปนางบ่ได้กลับมาสั่งพีนองวงว่านพวกตีไปน้ำยานซื้อเส้นเล่นเจอถ่าวเลขเก็น์หว่าเงืองเธอเลอนางเบิ่งทีวีวาแต่สีบ่มีเหตุการณ์ผิดพลาดมนุษย์อวกาศก็เป็นตาหลุดตูดมีผู้ชายหกคนยิ่งอีกผู้หนึ่ง ท่านคิดให้ลึกซึ้งกับพ่อหนามตาไหลก็เลาสีขึ้นไปน้ำย่านเจร่วนเล่าว่าสีไปตรวจ ด, ด้วยหูด้วยตาเพื่อเป็นการศึกษาควอมลูลน้ำเนพ่อได้มาเผยแผ่บอกว่าตาหูเพราะว่าเล่าเป็นคู่สั่งสอนเด็กหน่อยขอดมาใต้จ่อยไป็นนาสงสารพ่อปล่อยออกจากฐานบ่แดดพ่อเคืองพวกตีค้อยถาเบิงเสียงจมพุมพุ่มย่านระเบิดดังตูมเห็นต่างแต่ไงนี่แหละนอพ่อใหญ่คอเข็นเล่นอย่างอิทธิพลดาวหางขอบงามตาดากเมืองเต้ห้าวกะยากหอยปีนพันอันว่างเดือนคุม้มภาพ พันสองหาสองเกาปัญหาน้าเขาบอ่อปิดลาค่ะ เดินขบวนไปหาหอดถันหน้ายกตั้งหัวหนาสาถกผูดจาปลาใสเถียงกันมากกันไปตอกตําลําริ่มผู้คนแดดจะยิ้มขึู้หลูอข้อเอียงพวกเศร้าหน้ากับเที่ยงจนซุดอุลูพวกเค็ดอ้อยกับผูดเบิร์เจนเบิร์กติวพวกหน้าข้ากับจนหิวนอนนั่มไหลเตือพวกซ้อกับเจอประถามนตีเตื่อสีแหลีวพิธีกับไายวันไหลมือต๊ะลงว่าสีสื่อเขียนละซ้ำพันเลยนี้ไผนี้มันเศร้าหน้าเศร้าหั ก็ส yeah. ิเกิดเหลืองแง่ไม่นาเมริกาบ่านนี้บอสือเขาเศร้าหน้าแท้เล่นเด็ดขาดเขียนละพันกว่าบาทก็เลยแง่เล่นงอนพวกกษตเศรษกรก็เลยภากันวือผู้ลังค้นจนสิเตน้นคือเสือกผูข้อตายเขากขาบอแด้ค้ายหนีสินแห่งบีบรัฐบาลบอหลีบสวยเลือเจือจุนกับผมตองลุบทุนสวยสัมซองต่อ ตั้งต่กี้กระบอกุ่นไหวใส่ผงมาเนี่เขาไปหอดกระโปงเงืนให้ว่าแบบปีนี้มาปฏิวามีแกลผสมผสามงลมกลมานกระบ่กพอใส่ใจบอกง่ายๆก็คือออกน้ำเย็นตั้งแต่ก yeah. ี้กระบ่กเป็นคือปีสองเก่าสีข้ายจุดเบิดเหล่าเบิดกลุ่มเบิดล้านก็ได้ตามต้องการสมใจไทยทานบัดดาวหางมาพานแผ่อิทธิพลมีแต่เรืองสับสนปานโลกสีแตกแต่แผ่นดินกับยังแยกบางเดือนมีหน้ามาเนี่ยที่จังหวัดลอยเอ็ดแผ่นดินแยกอ ทั้งกุ้งไก่เป็นว่าเนวาอร่อยโกเม็ดบะมี่ไผไปเห็ดหันแยกออกเป็นทางหรือเป็นน้ำดาวหางเบาแหลวก็คือแมนต่างต่กีหนังแกนปันหัวลูกหมานสิเจ้อหนามบาดานก็ยังจุดเหิอแตกบาดปีนี่ผัดแยกเป็นห้องเป็นหู้จะมันเป็นตะดูเทิ่งเป็นตะนายเถาะนึงพ่วมสิปลายใส่ผันละเมียรพ่วมสีจับขั้นเกียรไปลาดสักคือแผ่นดินแยกออกเหือนลังดังโพลงห้องวานโมตัดสาขาดู แนวกำลังสีจ <Han> ุต่ำจีบ like <anything> <book> ีหายเห็นว่าหงองลุองตายเสนอเสด็จประตูบอท่านเปิดแลนต่ำเบิกแห้งหนาผาก้วยจนแดงปันตาพี่หลอก แต่กับอบอกอับปายบานผ่านพุ่มเจ้ามัคุดเบิดลบุญให้ใจเล่าจมผูลังคนหยานแผดินถล่มจนเด็กขนของนี้หรือมันเป็นน้ำปีน้ำวันน้ำมือพรมกับสีได้จื้อไปอีกโดนน่านว่ามันมีเหตุการณ์บุญไหว้หลายโพดหนาวก่อนหนาวสุดโหดหากองศาบันนี่แล้วคนได้ขาม้ามากินมาอยากขั้นกิ้นม้าแล้วหางแกล็ดได้กุมงเหาไปเบิ้งตี้คุ้นอายุตลาดท่าแหล่ย่างปั้ใช้มีแตะสิมฟ้านบานเฮ้า อยู่ตั้งเมืองฝายยาวจนว่ามีสูหนักฝังมนหนาวขะคักเดือ2ซองเดือดสามขามะเหลวกะห้ามกันไปตองยองหอยสินดอกเป็นตองไายได้ซ้ำเบือทั้งเมืองเลยพอทั้งหนาวสุดยอดไปเมืองยางมหอดกันอยู่หลายคนเศ้าหนาวได้ระดุนกะพอดม่านหนาวอีผู้ลงคนกะลีควมหนาวควมเย็นไปนั่น้ำห้อ็นหาอาบน้ำอุ่นโว้ยหมาใหญ่ก่ทนหรอน้อยผาเลนขั้ตุนกับสามีเบ้อ นายผเรนควยตุนกับสามีเบือเบาชั้นชั้นเธอๆหอมผาดตุกยุกหนาวแห้งหลายเพลนปนันกับบลูกร่างเถื่อล่างที่ ให้มาเสียดมาชีกันอยู่หลายตื่กว่าจึงเหงื่อเื่อปีกาค้าแข้งเธอสีแดงกินแทงจับหูดจนมือยสาวพอผ่านขั้นเลยถันผ่านเงาแถนจะหนาแดงแห้งแหมาสูดอากาศหนาวกะบ้าอุบัติพิธรรมดาห่อนกะห่อนจนหาเนีเปียบป้อไดา้คนกะเจ็บป่วยไข้ประสาทคุน ง, ง่วงเป็นลืมๆหลงๆอาลุ่มิึ ง, ง, งเขียดแล้วเห็นกบกะว่าเขียดเห็นลูกกะเป็นล้านพบขึ้มห่อนเผ้าพานเกิดคึ้มจำเสื่อมคนกะใส่เลี่ยมปิ่นปอกหลอกลวง นอนผับ้านไม่หลวงจางขาไม่ห <GO> น่อยนผับานายอยจางขานายพุนเบิเจห้อง้นถ่วเมืองบางกอกทานผู้ว่ากับบอกว่าเป็นฝ้นปันปีเมืองอุทัยท่านี่เจือนักวัวมูนับใจเราคอยจ้าหวงเจ้า จนมามีมองอยู่หนามป้ามา่ยามเพื่อนผู้เด็กก็ตามทวงมุดตลอดล้อยลุปปอดลุปปอดบัตรนหนห้าเหมือนหายปรากฏมีค้นไตนับได้ซิบกลัวตกพ่อปานฝ่าหัวเดือนพฤษภาล้มกระพัดพื้นว่าเป็นปุ่มเป็นงงนต่นไหม่ฮักละคนบานซองเฮือนซ่านเสียงพ่อปานปัดล่ามล้มมันมาหอบผู้ใดยอยู่กะตอบมุ่งหยามุ่งตองล้มมันหอดไปกองง่ายมองให้ไหม่ซาละขาบานไฟรลอยอไไสักคนบัทราล้มกับฝนอยู่ยามถามข่าวดีเป็นสั่นม้ า, ายาวเฮือนต่อสะบปูน มาเกี S <S ่ยงมุนุนเหลือต่างแต่ห่างม่วนปักตูน้าตางผิวไปตามลมมันมาอุ่มมาจมโดยไม่ได้บอกสั้งกระซี้เฉื่อยออกเขากับเส้นหัวบอมีเนื้อมุ่งหัว่านห่องน้ำโอน นี่แหละต๊ะอดบอลดินนามล้นไฟบาหนีเกิดเอเพลเดในพิษธรรมศาสตร์พอดาวฮางอุบาทแพอิทธิพลจิตใจคนกระซุ่งดีสุ่งหายแน่เคยายกับวังไงอยากยิงลุ่งล่างมาถือตามแผ่นพังเทิ่งลาดเทิ่งภัยัางเดือนหกออกไม่ผัดประยุดเสภ้อารัฐบาลของป้าแพลผายไล่ลองเ่าบุญเทีงเล่ายองมวัยวังเจเกิดเลยเฝ้าตัดไฟตุนล่มมาแบบยุบสื้อผ้าให้แจ็บบ่ห้มีซอสเนื่องจากพ่อรอก่อเก่าฉับบัปปาน มันเก่งม่เต็มมันเก่งไม่เต็มแต่บอกกะปากแดงคนนี้แต่กันไปคนยานพวกนักการเมืองผู้ว่าใดออกเสียงยกมือสาบลาบกันแตเงินเป็นหาบมาบานมาเฮื่อเงนเบียดประชุมเงินเดือนร่วมอีกสองตายกมือขึ้นกับมีคาเป็นหลานเป็นแสนผู้ว่าดบอกผู้แทนเมืองเฮ้านีดอกผู้แทนประเทศหนอกเมืองพักข่ววามัพักประชาละกรมทุกหยาดดากเหี่วผู้แทนเฮ้าบอเกลียวสุดยอดถอดหัวขันว่าผมหนีตัวอ่านข่าวบางโหลดผู้แทนเฮาดีโพด ตามอ่านหนังสือเหลืองสิจางยกมือนันนว่ามีคักแนมีไข่มีต่างแต่ยำหลับตาคนพ่อว่าแต่พึกงฝนกันมาเรียบร้อยจะมาตรวจ้ว อ, อ, งองข่ยขอหยองขอย่อให้เป็นซอสอีกเด้อปีกอน บอกมาเบิสุบอนเหตุการณ์บานเมืองมามันแข็งมันเครื่องพิธรรมาัราฉาดพอดาวหางอุบ า, เารรทเผยแผ่ลั่งสีอีกเจ็ดชิกปก็ปีมันสิกัปมาอีกปันเนี่แม่นมาห้าสีดีรวยลายให้โตมันก็ยังสีโง่ามากอีกเธอไม่ขั้นพอรรรรใหญ่ไม่ใหญ่ย่งบ่อท่านตายสีเห็นก้มบุญไหว้ถามมันมาหอดโลสีเกิดเขี่ยวคอดพิษธรรมดาแต่ปีนี่มันมากกับบุญไหว้ขนาดโตัวกับผมก็ยังเป็นประสาลื่มลื่หลงหลงล่ำเสีอีนุ่งกับว่าอีบุญแดง ทั้งหมอแค้นกับแหงจำถือจำพิารเเิกษทั้งหมอแค้นกัแหงจำถือจำพิดเกิดข้อมิตผลิตเลี้ยวเห็นเมียมูกัยังไปหาตูวว่าเมียของโตขันดาวหางมันงัวไม่เช้านาข่อยันเล่าเป็นบาคัวเกาโกหลังฉะนั้นคัวรระวังเตรียมตัวไหวแนบัดดาวหางมาเวที่นาที่รุ่นทายังมอรถหุ่นไปใดมาใดพอเขาทำได้ไหวแต่พิถึงเรา่องสีคันทุกแหลี่สีบอมีบอมดกับบอยากข้าด้เป็นกีกาบเกาแหลวกับมีแห้งหาไฟฟ้า กษิแพงค่าปฟายากกษิแพงไปตามระเบียบการเอารัเอาเปียบลูกลจากในทุ่นกสิตคอยสมบูรณ์ขืนยี ก, กลก <c oughs> ัวเขาบอกเหรอบอกมหาวิทยาลัเจ้าของกี่การแล้วอย่าเห็นหเจ้าเขาอยู่นี่แล้ว <c oughs> นี่แหละเพิ่งจะมาเหตุการณ์บุญไหว้สร้อยผงเนืองจากว่ายิทธิพนของดาวหางพูดเรื่องคนกับว่ามันเป็นเน่งมั่นแต่ว่าฟั่งแหละก็คื อ, มอเมนเลยจะมาคอดรอปไป กับมันเขามากกูปีคูปีนี่มันจีเป็นจังดหออย่างเมื่อตแเจ้งนข้าวห้าขโอ้ยหลอกเข้ากับมุนปันหำแล้วคางนี้แล้วข้าวก้อยก็คือมาตายนำเถียงสี่ตแล้วที่ตีพนเขามันยังเหลืออยู่ยังแต่ตัวอยู่งขาดชัดแทงตายคู่มือตัวบอกว่าจิตใจของคนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยผู้ฟังล่าก็คือกันลังคนก็อยากฟังแนวนี้ลังคนก็อยากฟังแนวนั้นไปวุฒนาอย่ไรเอคือยางเมื่อลาเดชาเคยไปลาเมืองไทยลงบาทไปปรับ เจ้าภาพขอบ้านต้อนรับสวัสดีหมอลำทุกทุกท่านมาช่วยงานวันนี้ดีหนักนะคงเหนื่อยกันมากเดินทางมานั่งรถลาไกลมากจากบนเชิญทุกคนขึ้นบนบ้านกันเสียก่อนเชิญพักผ่อนให้สบายใจชายแม้ผู้ชายหน้าตาหล่อจริงๆส่วนผู้หญิงก็สวยดีคงโต ทิ้งเวทีรั้นแรกแปลกใจจิตเสียงน้องนิดน้องตันสนั่นหูช่างหลบรอเลื้อล่นเมื่อมองดูเหมือนคนอยู่ในจอซซลพงเขียนจดหมายคืนมาว่าพี่เอ้ยน้องไม่เคยเห็นใครในโลกกว้างจะรูปร่างองคอาจ บ, บาทใจชัฉันถ้าได้ดนอนกับผีแล้วสิกันคงจะมันนุ่นหวี่ยวยาวเสียงวลางเท่าที่เป็นยังงูกับไก่ที่ จะมาม้อล่ำสมัยสมือต่างเก่าต่างหลังบม้อคือสมัยแต่ก่อนล่ำล่ำหนีล่ำมีหลายธาล่ำมีลีก็ไดัล่ำเลนก็เป็นล่ำลืเลนคือขึ้นชีล่างขัวย้มสื้อสวยไปหน้าเราโอล่ำไปพร้อมนั่นไม่ล่ำเล่นั่นหมดแล้วเนี่ยล่ำอีลีขืนห่านแก่งเมื่อแล้วแต่เงินปรับหนีไม่ล่ำมีลีม้อล่ำสมัยสมือกับสมัยแต่ก่อนหมคือกัน สมัยแต่ก่อนแต่กระ บ, บองไหวนน้าแจ้าหาันหู ด, ดังดั่ปันทานยามแจงออกมากาาอื่นว่าล่พาพญาหรือว่าลํานางมามีฝ่ามีฟังโจดเลง่งเสียงดีมาผู้แทรกกวีผมส่งบมากนัดไม่ยิ่งนันกับมัดเก่าผมเป็นมุออ้ยม่ลาสมัยแต่ก่อนกินห่านมาไล่สนและน้ําซึกันโหลดไผ่แก่บ่ได้ตูนหันและหนีดาพอดาเมกกระได้ม่ลามสมัยแต่ก่อนมอลำเดี๋ยส่าจำมอลืมแต่ข่าวเป็นเล็กหน่อยไปนนางฟังหมาดีดังแหม่ลำสมัยท่อง3สาวอยู่บานขวางมาจนถอแล้วเป็น เาเป็นคนดังแหม่ขืนหานมาละวันทมอนไนทีไอมอนไนมาใส่ระบาดีมาแขงไอชีปัดในกาทีมะขาาอชีปัดในแห่งที่ะหัวไอร้านล้านน่องาแหงเกนมาใสระ่าดเบ้าเบ้นมากพอเลยว่าโอ้ยข่านทีแขงไอชีปาดใส่กา ขั้นตีขาอกะปาแต่แห่งตีบ้างเฮนมีดังตีดังไอมันแมเท่านั่นแหละแม่ท้องว่ามาหาดีขึ้นมาเผาไว้ยุดมาเสแล้วว่ะนังน้องแกมของไอ้นี่บ่มีแต่ว่าดังน้องมีดียูดต้พกผาโอ้ธนาที่น้อมเจ้าอีนี้นะมาเสร็จดักแม่่หนอนผิดเอาสามมาหนิแม่ท้องสาสาวไปถามแล้วอีกบ่าโอ้ยศาสตร์ะกี้มันจกินท่านสางยันอนจังดังแม่เผาไว้เราเชียดแบบย่างเงี้ปุ๊บปั๊บขึ้นมายุดชาติตะกี้ย่งคุชีแม่ไม่ เอาจอๆรถจอๆไม่ต้องเอาไก่นี่เป็นสมัยแต่ก่อนมอหลั่มดาพอดาเมกันเลยแต่ว่ามอหลั่มสมัยสู่มัเป็นแน่นอนตัวหลั่มตามอยู่ตามสมัยคืออย่างมอหลั่มเหนือสาไปหลั่มอำเภอเลิงอืมไปจังไร ไปน้องพอรกอยากฟังแต่ผู้ไทยอยากฟังแต่พญาหย่อยผู้ไทยไงมาสันผู้ไทยไงมอเล่มก็เป็นของคนเป็นคนของคนฟังกันเพินเสนอมาแล้วแล้วก็ตองสนองเพราะกรบาดผู้ไทยเี่ถามตสนองมันเข่าสนิมน้อยกระบาสนุกสนานขาดขั้มสนิทสนมน่อยก็ถือสนับจับแผลแผสน้ำหนําว่าสนองหนองแพลเสนอผมมาเติมสน้ำห้ามสนิ่นแฟนเศ้าสนุกตอสนองหนองนี่เนาะบาดหนีมอแขน สอนเหลืองไปล่ำทั้งนงพอกตอนย่างปังผู้ชายใหญ่มาส่นมาดซีโม่โมนน้องก้าเจ้าน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ่อมเยเฮ้ยยาจ้าอย่าลูกคือหน้าทันบังมาเฮ้ยเฮ้ยนางเอ้ยจังว่าเด็กจะมาแล้ว ลายแนวแต่สีลสีแดลำเจ้าผู้ไทยบึงก็เดิอเจ้าพี่น้องห้ห้ยง่วงมันส่วงใจกอนนาวันจะวกนปาทุอย่ายอาย่ายลายต้วันนันแล้วค่อชาใต้เอ้คอยบ้านบัานี่มาเห็นน้องเจ้านาไทยเหนือลระไม่จะใส่สีมาผู้ดีเถนอนหน้าสร้างมอเอาผี่สยสอนเป็นตะอ้อนจะซอนนี ทิ้เป้ยระไทยคนผู้งามจะจังน้องมีไผ่ตองและไปน no. อมาพอหลดคำฮอดอย่างนอนซ้อนอยู่ยังคืนแแลโอ้ยกระยกรยรักสร้างรักไม่ห้างกะสร้างถวยวันีเาะทกายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็มากเลิอบาแต่าเพลิงเอมหนีไป่ง นางเอยว่าลูกเคยจะขี่ขานแม่เท่าไรลูกเคยนี้บัดลูกเคยจะทำดีแต่งลูกสาวไปนาเออยพี่บ่คืนจะเมื่อแล้วเสียใจแม่เท่าดาขั้นบ่ขาแม่เท่าทิมสาแ ล, าลา้วพี่บ่เมือ่อานเราตายเลยต้องไม่ทำแ้วตายก็ครั้งให้เก่าคอยเอวย่อยสิได้ไปแล้วเอ่ยายก็ครั้ห<ภา>้ก่าคอยเอวย่อย นางเอ้ยขันพรนางในสั่งอายให้นางตายเป็นหัวแมอายเป็นจ้ผู้เลี้ยงที่เอายีงแตงหาดอกนาโยมไปจะสั่นบาอเฮ้ยพ่อขับุณพ่อบ้านมแก้งเน่าก้อยไก่พอขบพุ่พ่อบ้านโต๊พ่อน่อยมักสาวุาเจ้าขาลูกเจ้านางเอ้ยอายในทุกเจ้ยากลำากทำชินมันมก ขันมากินจะหมกมันปาก่อดำจะปั่นนีแต่ว่าหีจะนั่งนันหมกมันม่เคยผ่านค่อยไปถามผู้เย่มบ้านปะดำแทตแเจไดดอกนาโอ้ย้ือใจเต่าที่เต้าตาคือเทนอหมองเงี้ยหยกหุเฮ้ยไปชาฮัวพังทลายหยกชาวนาเอ้ยบัดหักของจะโตตูว่าแต่หมดเสลอยครบ คอยไปถามจะแมงหมดว่ามามีจะโตต่อบัตรได้ของจะโตตูนเป็นมาแต่แต่เกา่าพนมาลูกจะแบนีที่โตนจะสู้คน <c oughs> เนาะกเฮราขึ้นลืมบอกเอ้ยขวอง<า>ัวไต่ไก่ไนมมาตอคือ ท, ทอดเจ้าด้เออแ ก, กองปองกเลยนี่ไม่ออบอกเลยไปล่ํา Ừ, ทั้งภูไทยอยากฟังแต่ภูไทยหมอรำกับเป็นคนของค น, คนฟังขันมามันทาเป็หินแบบว่าเด็กมแกมแล่นี่ค่อยแก่ช้างามแบบว่างามนึงฉีขึ่นปทิ่เนื้องามชองฉีลงปที่แต่งามช้ชาคนไปไงของคนอยูบย่บวยบวยแบบว่าอีกละที่ส <c oughs> ่ผยดอื่นลง <c oughs> ไม่ยิ่งผัดอื่นแอม คันองกับแอมมันพอกันบว่าฉวัดดีนางน่องทองอินแอมเดือดึกนามเหมาอยตามกุ่นบ่แอมช่องไฟแกมรุเดืองขอดมคมดึกๆเต่งดีดุปเดืององค์เดินเดาเตียงเฟี้ยนนุ่มๆนพลงวันนพันอย่างคืนึกๆหนานหอยฮิมอยเวียดนามด้ด้อาเดได้ยบแล้วก็ล่าไปหลายกะมอยหมอยสอยเลมอืบเอา หมอแค้นกับสีเร่งเรียงมงกนตีหาทางล่งและจังลองข้าฟ้องจอยฟ้องไก่ไปสบายเหรเด่าหมอแค้นกับขับเขาร่วงพังอนเลยวยทั้งฟอนเมนวาเดื้อน่างขนมลาดหน่อแต่พ่อปันนี่ีรีส์ลาดนยาไ่ท่างไมนี่เป็นคนลาหท้สองนม้นไพ ลูกไผ่สนุกข้นบ่อบ่อหินบ่แเจาะพ้องย่อตู่มาพอล่ามคู่ล่ามเกลงัดเล็กกบเห็นมาไผมันมี้จะหลวดมันข้นตัวตวออกดักย่ำดิงนึจะเคยแดยิ้มือบ่อพ่อใหญ่ไฟตาเจ้านี่พระจางมาใส่กันแล้วพ่อแห้งอ่อนหรือแข็งถึงชนะหรือแพ้ผู้แดบ่แก่ไผ่ิดไผ่าภาษิหูดหน้าคนฟังทางลางเจ้าสียางลุกห่านลูกหอเปเซบจนจอกลับพึกับาด สามอาลําเหม่งก็แท่งสิบาทจ้างสองสามที่ก่อสร้างหัวเจ้าตี่ภายแล้วสิงห์ คือเจ้าคือเจ้าเกิดใจทำก็เอาโหลดคู่งามตามเจ้เจ้าโลดเจ้าเป็นโจูดพอสิเป็นจำเลยพอเป็นหนูคือเจ้าเป็นแม่เ่าถ้าอยากเดาขุนชีขยังก็หายแม่เ่าฟังขั้วมกเคยอแนวถ้าอยากแส่เอาไหวนดุนดุนก็จะผอกจะพ้นด้วยแล้วแม่เ่าถ้าบ่เดานอนอยู่เฉยๆไก่ซอยหลูกเคยเดินย้ำมันเลยทั่วขี่เลยซ้ำมอเดซ่าได้เหง้าขาปูเป็นแม่เถาผู้งามคู่เจ้าอยู่บ่นอนเฮือคือสิปานถึเบื่สั้นดอกไปคือ ฝา agua, ่าห้องเหยดคืดอยู่ในใจเผ็ดจะงหน็ีหน้าฝ่าใ่จะสีแดงล้ำใสเจ้่วจะขนท่านแด่ยนุ่งกันแจักเธอสีปาดขนวางหือห้ามหน่อยตี๋สิวซัมแม่ยิ่งมีมะต่องมาอวดสีเงวใสกวดเสียงกันกระสีงขับอไลขิงขิอาข้าอาแข่งวัดนำไปแตงแจกหาสตาเอาตีหน้าทางแดเจ้วกินก็หายแจน่าเลงมาโหลดเดาหนูิค้นกู้จีปูคนวัดผู้ด่สมาถลำได้ล้ำดีผูิจ้างดอกี่เอาอาปาใหญ่บัดเธอไหมเ่อหนาเธอรุ่น เจ้ามีบุญกองหดกองบวชแต่ผมมาหวดอีกแน่ด้วยอาท่านผมข้าผมจิตผมอยู่สีย่อมหาคุณปู่ตอดหน้ำหมอแก่นท่านสายแนนม่านดึงมันจองไหนมันหนีมายองกับสาวมอลำสีเอาเขาถึงห้ำคุณล่ะให้เบ่งสีหน้านวลส่วนไหวท่านเราเพราะกระโดนยีนกับเราเพาเป้าเอาผู้เท่าปันย้อนขาล้มจังไอ้สิกระใสกับผมยืดบอนไปเอาเด่กเอาผู้เท่าอาล่าลอ ไฟกับผมเมื่อกันแล้วไปก่อน้วดีค่อดีต่เว้นหางกันต้องิเมื่อฝ่าเอ้ยฝ่าห้องจันผัวก็เมียปักกันลูกเต่าบ่อท่านใหญ่ ย, า, ยามลูกถามว่าอีเมยไปใส่พอหลุดอุอ้งเอากินขขากระบอลง้ยนีือ้ บเอาละบัดนี้เบิร์ตเตลัมทั้งสันฮันลองมาทั้งลองเบิร์ตเตลัมลองเลวตนคอยสีดาวล่าได้เวลาตีหาสัญญากันไหวแน่แนสัญญาไหวตั้งแต่วันที่ไปว่าจางสองขางแต่ว่ากันบอกกันแต่มือนั่นสองฝ่ายกระตุกลงให้ลำตวงสัญญาวากันสองคำาาเงินมาจํากัว่างไวยวันที่ไปทิศก็บัดนี้ละคุณพอทั้งเวลาวาไหวสีไกลคางเจ้าห้างนี้ พอใไงนั่งขางนั่นแม่ไง น, นั่งขางนี่น้องพีแลเรัท่ากับผมมาฟังล่ำคำํำคืนบัานนี้ก่อนสิลป์เมื่อบาลล้านล่ำศิรเอินสั่งเพื่อมือนามือหลังห้าบุญหอดยอดเกี่ยวได้เที่ยวผอพบกันมือนี่นั่นศัษฐาเห็ดกองบุญสาราทุนหลวงหลายกายกองน้องล้นจัดเบ้าข้นแจก่วงมิศศิษฐาก้าแกมีจิตใจเพื่อแผ่จะเห็ดบุญคืนดได้ไผ่แก่ยองซึนส้ม ผู้ขาขอากับกรมสาถูโมธนาให้ศรัทธามีสุขถูกยามีมาตองให้สมปองเจทธานการงานและหน้าที่ให้เจ้าห้างเจ้ามีบริบ้านขาใสยามีใดทุกจนขอให้สุขหรล้ลลนป่าจสจากผู้ใภ้เจ้ามีใจเป็นท่านกอบุญนุนคำจ้างหมอลำมาหลายลอยหมอสอยกะหลายวิง่งให้คนฟังนางสิงพ่อได้มวลยินณบัดนี้เวลาใกล้สิส้นผมสิสั่งอำลาให้ศรัทธาของห่าอยู่ดียื่นมัน แนวดนันซัดท่าว่าประเสริฐแนวด้าเลิดดินลำแห่มาคำซอยสู้พอให้มาทรงอยู่สู้ซักประจักผลมีแต่คนยอยกซื่อเสียงเพียงฝ้ามว้วนโลคาวัดไข่โพยไพ่พห้ลีค้างบุญเจรไดก็สังอย่าไม่หมางห้างไก่คือแนวดกัาแห่ได้สมดังมาโนหมายทั้งร่างกายผิวพรรณแห่คองงามปันแต้ม ให้คนแนมน้ำกนตนโตอย่าโซ่ป่วยขอให้ซุกอยู่ด้วยยืนมันมืมนปีซาถูกต่อจากนี้เชินสังส่งคนฟังสร้างแต่จวนเวลามามันมอทั้งเหล่วนั่งเป็นแถวัว า, า ย, ย่งางไสยเท่าแกาทั้งคุณพ่อคุณแม่แตลอดทั้งเหวี่ยย่าย่ายผอมพ้ำตากับทั้งลูกและป่าน้อยนุ่มซุ่มจีผู้บอนีวเมื่อนอนเมืองหอนตอนสุดท้าย ท่านหมุนหลายพองพ่อกัดน้องงานอื่นพออ่อใหญ่เอ้ยฟังลําผมเบิดขึ้นดีหรือซัวกัาหูกันแล้วแก้ใจก่อนกับผมสีดายหินห่างว่างนี้ผมมามีแนวดสียืนย่อขอตอนนอกจากพ่อนแถมทายถวายสู่ยู่ทรงก่อนสีขอลาลงขอแถมพ่อนโซ่หายย่ามสีดาห่างกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้นั่นถ่าความมีจิงขอหาลิงแร่มองสองยันพันพรอม ผู้ขาขอวอนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกะกาบควบอมอ่านแห่มาดนบันดาลแหยัดพี่พี่น้องผู้ฟังหองแล่ล้ำให้นิสุกยิ่งลำเท่าสัวนีร่รันดอดในท้าวอนสมบูรณ์ห่างมีดีได้อย่ามีเจ็บมีไขวัดไอแห่หมองมนแห่พี่น้องทุกคนที่ฟังล้ำอยู่นี่อย่ามีเสากาะหมองขอแหยติพี่น้องมีต่างแต่ควมสุกอันตาไล่ไพ่ถูกแต่ห่างไล่ไกลเว้น เวามเจ็บเป็นยามาต้องเงินท่องอเหลือใจสุขสบายทัวนาคือพาได้ทรงพ่อนยาไม่คพามเรือรอดในขมคืนฟื้นส่วงบ้านทั้งหวงไข่ลี่ห่างหนีย่อมพ่ายสุขสบายโฮมทานบริวารก็เห็นเฮไปทางไดมีแต่คนสัรเสริมยงยองกับฟองเท่าสัวสีวันให้โชคดีทุกท่านที่มาเบิงลำก่อนนี่คือพ่อนของหลานสัวการลน่านเทลิน ตลรอดเกินข้าแกวแนวได้พอมพำร้านผู้เป็ดมอลำขอแถมพอนทรงไห้ย่ามสิใได้ห่างหนี้าถูกเอาโม้มถ้ามีเอากี้สิถ้าถูกุญุการท้าลำเหมือนนี่แต่้เปิ่นเกินควรใส่สำนวนวงหารโมเมนการบางคั่งทานผู้ฟังคงไห้แพรร้านผู้ยังอ่ำพ่อใหญ่เอ้ยร่างเธอตอนผัดพังตรงตองเม็นของหูบอลเม่อเห็นบ่อหูก็บอว่าจะแข็งใสดเสียงแห่งเสียงเบายองหิโตร อวยขนยน้อนจำบุยทุยหิมถิมต่อปาลาหลานโมเด็กแกงว่าแตก่ก่อนล่หาหักไ่าตัวเจวเาะรยะถืมมือสืบมือสีแดงห้างกันนียวขั้นพอมีงานบุญเถื่อรุ่นสีไปจ้างเรื่องสตยตังไม่แบ่งมาซําคัญนดอเดอร์อถามเปนไปติดต่อถึงหรือแพงกะว่าได้สีใาหา้สูญิ่มบานผมอยู่ไฟกามโคงเขตเมื้องบลมีรถย น, ยนไปถึงสูญิามถามได ลือสีไป3าล่อมอเตอร์แซ่ได้ทุกอย่างสื่อถนนหนทางสัมประสิทธิ์บอกไว้ไปหันเม่นเจอป้ายเขาเขียนเป้อเจอว่ามองอยู่มอลำเดชเสาฮือนสี่เซซหย่อนคนมาทํามม<า>ีเพื่อนบ่มีพ่อแซ่เตจิ จ, จใจหักเหลือตาไปถามคุมบ้านทาขั้นมาเสือฝ่ายเบาสีเสียเหล่าให้นนึ่งกลมนี้จากไหนกับบ่หม่อโ ม, มโดดเด้อขับควมจุนวัสนาของคนแข่งกันบ่มีใด เล่าแต่แถมปันไห่ไผ่มันโ ม, นมพันว่าเห็ดนี่รัดดีสะอาดจังโมคือหมูเผื่อเฮือนไก่และไก่ปุ่นผลาบอไห่คือหมูไทยเขาไผบ่อเห็นใจเฮ้ากะสร้างข อ, งของนอป้ามีแต่หาลำลองสลองอานบ้านเพิน่นพ่อได้แบ่งได้เงินไปซื้อกินซื้อเื่อบอคือบ้านเพิ่นละน้อมเธอมีบุญในคิดพ่อจากน้อยแนนเดอร์อาม่ อ, อเป็ง่า ก, กันยังดีเบื่อเธอมีงานหนาะ เพื่อไปมาเห็นพ่อกันนอให้ถามไทยคบกันดน่วยจิตใจจนหรือมีบอให้บาเด์เจ้าจังฮักกันแต่ว่ามือ น, นี่นั่นผมสีตาล่ามือเหลือแต่ควมอะไรบ่จะไก่ก้อยเว่นพอวเว่นน้ำตองไ้ซองเห่าไก่ห้างจากกันไปคนท่างเห็นกันเพียงนิดหน่อยก็จำคอยสร้างล่า คุณละเดอร์บอนฝากรรมกรรมดำดับบ้านมอลลัมเดซ่าทินงกระแสเจสรงมัท่าล่งไปคุณนเมื่อโหวตก้นกรรมไปเวดเซ่าลัมในเดอร์ยาตพีนอสลาล่ลองให้เบิ้งที่